ปีเนี้วันที่ยีิบเจ็ดเมษาพุทธศักราชสองพันห้า้อยห้าสิบสามวันมะเรเนี่ก็หกสิบหกปีเข้าไปแหละแก่เข้าไปแล้วท่น เ, เ, เนี่หลวงพ่อจัดงานในคราวนี้คือปีก่อนๆหลวงพ่อไม่ได้จัดงานรวมกันคือจัดงานวันเกิดของหลวงพ่อเสร็จแล้วก็จะมีการจัดงานทําบุญรวมญาติแต่การจัดงานวันเกิดเนี่ย หลวงพ่อถือแต่ไหนแต่ไรมาหลวงพ่อก็ไม่ได้นิมนต์ครูบาอาจารย์ไม่ได้เชิญเชิญไม่ได้มีการเชิญนุบัตรเชิญคณะสัตยา ญ, ญาติโยมทุกหมู่เหล่าหลวงพ่อเห็นว่าครูบาอาจารย์หมู่พวกเพื่อนผู้ที่พอที่จะมาได้ก็ขอนิมนต์ไปเจอกันเอาขอนิมนต์หลวงพ่อรับได้กับครูบาอาจารย์ทุกทุกองสหธรรมิกทุกองค์น้องหนุ่งทุกองค์นิมนต์เข้ามาได้คณะสัตยา ญ, ญาติโยมก็เช่นเดียวกัน ไม่ได้มีบัตรเชิญไม่ได้มีการเชิญขอให้มาได้วันที่27่สิเป็นวันเกิดของอัตมาเนอะหลวงพ่อเนอะผู้ใดจะมาก็มาอันนี้หลวงพ่อพูดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่มีการเชิญหรือบัตรเชิญหรือวันใบดีกาในมณฑ์ขอให้ครูบาอาจารย์หมู่พวกเพื่อนรับทราบตามนี้อันนี้ก็คือวันเกิดแล้วพร้อมกันทุกปีหลวงพ่อก็ได้ทำมาอย่างนี้แล้วก็มีการทําบุญรวมญาติอีกครั้งหนึ่ง เมื่อทำบุญวันเกิดเสร็จแล้วอาจจะเป็นเดือนพุทธภาและมิถุนาแต่เมื่อปีที่แล้วหลวงพ่อก็ได้มาประชุมกับคณะสัทธาญาติโยมพระเนนในวัดบอกว่างานของหลวงพ่อเนี่นับว่ามันจะยุ่งมากต่อไปภายภาคหน้าปีนี้งานกระถินของเราก็เดือนตุลาพฤศจิกายนมันก็เป็นงานประจำปีของวัดแล้วก็มกราวันที่19กามกราทุกปี เป็นวันมรณภาพหลวงปู่ล่าวัดปูเจ้าก่ที่เป็นครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อที่หลวงพ่อบวชแล้วว่าเกิดในที่นั่นหลวงพ่อเองก็ได้ไปร่วมทําบุญไปร่วมจัดงานอันน่้งก็เป็นงานของหลวงพ่อส่วนหนึ่งแล้วก็วันที่ยี่สิบเจ็ดกุมภาที่ผ่านมามกรากรุมภาที่ผ่านมาก็เป็นงานร้อยปีหลวงปู่จามที่เป็นหลวงอาของหลวงพ่อจากนั้นก็วันที่ยี่สิบแปดมีนาก็เป็นวัน ครบรอบวันมรณภาพของคุณแม่ชีแก้วหลวงพ่อก็ได้ไปจัดงานที่นั่นและกับวันที่ยี่สิบเจ็ดเมษาวันนี้วันที่จะถึงวันพรุ่งนี้ก็จัดงานเป็นวันครบรอบวันเกิดของหลวงพ่อเพราะนั้นงานมันติดติดกันหลวงพ่อจึงได้รวมงานทําบุญรวมญาติเข้ามาอยู่กับวันที่ยี่สิบเจ็ดเมษาวันพรุ่งนี้การทําบุญรวมญาตินั้น สำคัญฉนาดเพราะเหตุายรจรึงทําบุญรวมญาติหลวงพ่อได้ปรารภกับพระสงฆ์และคณะทายาติโยมผู้เกี่ยวข้องว่าวัดของเราเนี่สร้างมายี่สบกว่าปีวัดป่านาคำน้อยของเราเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วคณะทายาติโยมที่มาร่วมสร้างวัดแต่ทีแรกได้เสียสละทุนทัพร์ได้เสียสละกำลังกาย กําลังทรัพย์กําลังสติปัญญาที่มาร่วมกันก่อสร้างวัดป่านาคำน้อยแห่งนี้จนเป็นรูปร่างอย่างพวกเราท่านทัน้งหลายได้เห็นแต่ท่านเหล่านั้นก็ได้ร่องโรยไปตามอายุสังขารเพราะอายุมากท่านก็ได้มรณะผ่าไปมีทั้งพระด้วยมีทั้งคณะสัต ย, ยาญาติโยมด้วยและก็บผู้ที่อายุยังน้อยหนุ่มก็ล้มหายตายจากไปก่อนหวงพ่อก็มีหลายคนเพราะฉะนั้นพวกเราที่อยู่เบื้องหลังได้รับความสะดวกสบาย จากทุนทรัพย์หร huh ือว่าก in ําล <any> enfin ังกายของท่านที่เสียสละและกําลังความคิดของท่านที่ได้ช่วยกันคิดสร้างวัดป่านาคําน้อยแห่งนี้เมื่อท่านร่วงลับไปพวกเราอยู่เบื้องหลังก็ไม่รู้ว่าท่านไปภายภาคหน้านั้นจะมีความสะดวกสบายยังไงทุกยากลาบากยังไงพวกเราอยู่เบื้องหลังปีหนึ่งน่าจะทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณเหล่านั้น หลวงพ่อจึงได้จัดงานขึ้นมาเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปการะคุณคือดวงวิญญาณทุกดวงวิจารณหลวงพ่อก็เลยประกาศและก็พร้อมกันหลวงพ่อเองก็ได้จัดงานวันเกิดของหลวงพ่อ เ, เป็นการทำบุญรวมญาติของหลวงพ่อด้วยคือหลวงพ่อเองก็ได้บอกพี่น้องญาติโยมของหลวงพ่อทั้งบ้านมาร่วมกันทาบุญหน้า พวกเราจะได้ทําบุญอุทิส่วนกุศลถึงพอ่อคุณพอ่อคุณแม่ปู่ยา่าตายายวงศาคนาญาติยามิตรสหายตลอดถึงเจ้ากรรมในเวรพวกเราทุกคนมีพ่อแม่เพราะฉะนั้นให้มาร่วมกันทําบุญเพราะพระสงฆ์ที่จะมาร่วมวันที่27ที่จะถึงเนี่ยก็มีพระสงฆ์มากพอสมควรเพราะฉะนั้นขอให้พวกญาติพี่น้องของหลวงพอ่อมาร่วมกันทําบุญเนาะ แล้วก็หลวงพ่อประกาศคณะสัตยาติโยมทุกหมู่เหล่าอีกเหมือนกันถ้าว่าผู้ใดจะมาอยากจะมาทำบุญบุธิส่วนกุศลมีอาหารมีจตุปัจใจเรื่องว่าสิ่งของจะทำบุญหรือว่าไม่มีอะไรก็ประนมมือลำาลึกถึงได้มากราบมาไหว้ครูบาอาจารย์บุญกุศลที่ได้มาแสดงออกซึ่งมุธิตาสักการะบุญกุศลที่ได้เกิดจากการประกอบคุณงามความดี ด้วยกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมบุญกุศลที่เกิดจากกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมนี้ขอให้เป็นพระวะปัจจัยขอให้ดวงวิญญาณผู้มีอุปกระคุณทั้งหลายได้รับส่วนบุญส่วนกุศลจากพวกข้าพเจ้าด้วยเทอนนะอันนี้ก็ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายที่มาร่วมงานในวันนี้ใรือวันพรุ่งนี้ก็ขอให้พวกเราอุทิศส่วนกุศลอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวนะแล้วก็เมื่อเช้า หลวงพ่อเองได้สงเคราะห์อนุเคราะห์ทั้งโรงพยาบาลโรงเรียนสาธารณประโยชน์ก็มากมายหลายหลายอย่างแต่หลวงพ่อคิดว่าอันนั้นคือการสงเคราะห์สาธารณประโยชน์แต่หลวงพ่อมาคิดว่าควรจะสงเคราะห์อนุเคราะห์พี่น้องชาวบ้านด้วยก็ได้ปารกกับคณะกรรมการดไายญานโยมก็มีผู้ร่วมสมทบหลวงพ่อได้จัดของเพื่อเป็นเครื่องมอบให้มอบให้แก่พี่น้อง ประชาชนที่พระไปบินทบบาทหกหมู่บ้านในหกหมู่บ้านทั้งหมดก็เจ็ดร้อยกว่าหลังคาเรือนนะเจ็ดร้อยแปดสิบสี่ครัวเรือนหลวงพ่อได้มอบข้าวเจ้าหอมมะลิหกกิโลและก็ข้าวเหนียวหกกิโลรวมแล้วเป็นสิบสองกิโลน้ำตาลหนึ่งกิโลน้ำปลาหนึ่งกิโลมอบให้แก่ครัวเรือนทั้ง 784โครเรือนอันนี้ก็คือการแสดงออกการเสียสละให้แก่พี่น้องประชาชนลูกหลานเพราะว่าเห็นว่าข้าวเนี่ยทงยังไงยังไงกับพี่น้องกับลูกหลานก็ต้องกินข้าวคงไม่ทิ้งแน่และกัของใช้อีกสองอย่างเหดือนกันน้ําปลาน้ําตาลอย่างน้อยก็คงจะทุ่นเวลาในการทำมาหาเลี้ยงชีพให้แก่พี่น้องลูกหลาน ที่ได้รับไปแต่พร้อมกันหลวงพ่อก็ได้สงเคราะห์ทางโรงพยาบาลโรลงเรียโรงเรียนอันนั้นอีกส่วนหนึ่งแต่นี้เป็นการสงเคราะห์ส่วนบุคคลที่อยู่ใกล้หลวงพ่อเป็นการทดแทนบุญคุณที่พระไปบิณฑบาตจากที่น้องประชาชนหลวงพ่อพูดว่าต่อไปภายภาคหน้าอาจจะมากกว่านี้ก็ได้แต่ขณะนี้หลวงพ่อยังยากจนอยู่ต่อไปภายภาคหน้าท่านหลวงพ่อ มีบุญวาดสนาบา ร, รมีบุญหนักสักใหญ่ขึ้นไปกว่านี้นะหลวงพ่อก็คงสงเคราะห์อนุเคราะห์ให้ให้มากกว่านี้เพราะหลวงพ่อนี่นึกใจใหญ่อยู่เหมือนกันนะที่ว่าควรจะทําให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในชุมชนทุกหมู่ทุกเหล่าสงเคราะห์โรงพยาบาลไม่ใช่ว่าสงเคราะห์แต่เพียงโรงพยาบาลอยู่ที่ใกล้นะโรงพยาบาลศีลครินทร์ขอ น, นแก่นมูลนิธิหอพิบาลสงหลวงปู่มั่น โรงพยาบาลศรีนครินหลวงพ่อก็ได้เป็นประธานมูลนิธิอยู่ที่นั่นและก็พร้อมกันก็โรงพยาบาลศูนย์อุดรเนี่ยหลวงพ่อก็ได้ช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์เครื่องไม้เครื่องมือคือไม่ได้ลดละไม่ได้ปล่อยปละละเลยในชุมชนและสังคมถึงหลวงพ่อจะอยู่ปานรงคงไผ่หลวงพ่อก็คิดว่าการสงเคราะห์อนุเคราะห์มีอยู่สองอยู่ในใจของหลวงพ่อหนึ่งคือการศึกษา ในการศึกษานี้มันอยู่ในหัวใจของหลวงพ่อเหมือนกันท่านเด็กของเราด้อยในการศึกษาการพัฒนาก็คงใหญ่ยากเพราะเหตุใดเพราะเด็กของเราไม่ได้รับการศึกษาที่ดีเพวัะ น, นั้นสมควรที่เราจะส่งเสริมในการศึกษาแต่เมื่อเด็กของเราได้รับการศึกษาดีแล้วเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาแล้วไปทําการทํางานดีแล้วโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลเครื่องไม้เครื่องมือหรือโรงพยาบาล ไม่มีประสิทธิภาพไม่มีคุณภาพพวกเราก็ไม่สบายใจอีกเหมือนกันเพราะนั้นทั้งสองอย่างหลวงพ่อก็เลยให้ความสำคัญทั้งสองอย่างคือโรงเรียนและโรงพยาบาลอันนี้กหลวงพ่อก็เลยพูดเด้กล่าวให้แก่คณะศ้าทาญาติโยมที่เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อมาโดยตลอดเพราะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่ง คณะพระสงฆ์และคณะสตัตยาธิษฐโยมได้มาร่วมแสดงมุทิตาสักการะแต่ถึงยังไงทีนี้คณะสงฆ์หรือคณะสตัตยาธิษฐโยมถึงจะอวยพรอำนวยอวยพรให้แก่หลวงพ่อขอให้หลวงพ่อยื้อยืนยาวอันนั้นก็เป็นความปรารถนาดีของคณะสิทธญานุสิทธิหรือคณะหมู่คณะหรือคณะสตัตยาธิษฐโยมทุกหมู่เหล่าแต่หลวงพ่อได้เอา ชีวิตมาอย่างไรนะกรรมของหลวงพ่อได้ทํามาอย่างไงฮะหลวงพ่อก็คงจะได้ไปตามนั้นหลวงพ่อเองมาถึงจุดนี้อายุหกสิบห้าปีนะอายุหกสิบห้าปีไม่ใช่ว่าหลวงพ่อดีอกดีใจว่าหลวงพ่อได้ชีวิตมามากไม่ใช่อย่างนั้นหลวงพ่อเออเราจะเดินไปอีกสักเท่าไหร่สักกี่ก้าวนะชีวิตของเราจะถึงจุดจบเพราะนั้นเราจะตั้งอยู่ในความไม่ประมาท สิ่งไหนที่จะเป็นคุณงามความดีเราจะทำสิ่งนั้นให้สมบูรณ์บริบูรณ์ที่สุดสิ่งไหนที่มันเป็นเครื่องหายานะเป็นเครื่องที่ไม่ดีคิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีเราจะไม่ทำสิ่งนั้นหลวงพ่อคิดไปในใจเสมอเพราะนั้นการจะแสดงออกทางกายทางวาจาและทางใจก็ดีหลวงพ่อจะพยายามทำในสิ่งที่ดีที่สดุดในความรู้สึกนะ เพรานั้นขอให้คณะสัตยา ญ, ญาติโยมพระน้องหนุ่งทั้งหลายที่ผู้มีอายุพันษาโดยมากที่พระมานั่งเป็นรุ่นน้องๆ้องของหลวงพ่อทั้งหมดอายุพันศา น, น้อยกว่าแต่ถึงยังไงท่านเหล่านี้ที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นเนี่ยอายุพันษาสี่สิบพันษาก็มีมากทั้งหลายองค์อยู่ที่นี่หลวงพ่อนี่ยสี่สิบห้าพันษาแล้วนะเฉพาะพระนะบวกเนรเข้าไปอีกแปดเป็นเท่าไหร่นหลวงพ่อบวช ฝังชีวิตไว้ในพระพุทธศาสนาเนี่ยยาวนานถึงขนาดนั้นแหละเป็นพระ45้และก็บวก8บวกเป็นเองเขาไปอีกและครูบาอาจารย์ที่มานั่งอยู่ที่นี่ตรวงพ่อดูแล้วไม่ใช่ผู้มีอายุพรรษาน้อย3 40สพรรษามีหลายอ ง, งค์เน่เกือบจะว่าเป็น10 20องค์ที่นั่งอยู่ที่นี่เพราะนั้นล้วนแล้วจะเป็นพระที่บวชมานานคงแก่เรียนด้วยการเกือบทั้งนั้นท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่และองค์ฮะ แต่พวกที่น้องๆบวชใหม่ใหญ่ทีหลังก็มีที่จะเดินตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์จะถึงยังไงในหลวงพ่อเองในฐานะที่เป็นหัวหน้าหรือเป็นประธานในวันนี้หลวงพ่อเองก็อยากจะกล่าวเตือนพวกน้องๆอีกเหมือนกันนะที่พวกเกิดใหม่ใหญ่ที่หลังนี่แหละทำสิ่งไหนคิดอะไรทาอะไรพูดอะไรก็ขอให้อยู่ในกรอบของหลักธรรมวิ น, นัยที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ ที่ท่านเป็นห่วงหนักหนานะเมื่อไม่นานมานี้หลวงพ่อเองก็ได้เข้าไปกราบองหลวงตาทั้งที่ท่านอายุ96ปีท่านก็พูดเรื่องความเป็นมาและความเป็นไปของท่านท่านพูดมีแต่ธรรมะในภาคปฏิบัติทั้งนั้นความเป็นมาของท่านอย่างไรท่านก็ชี้แจงให้ฟังแต่พอพูดจบแล้วท่านก็บอกเออเราเนี่เป็นห่วงนะเป็นห่วงพระยุคนี้กลัวจะทําไม่จริงจังกลัวจะทำหล่อหละอแหล่แหล่ การประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะธรรมะนี่เป็นของจริงจริงๆนะฮะเป็นของจริงจริงๆถ้าปฏิบัติได้แล้วจะรู้จริงเห็นจริงในธรรมคาสอนที่พระพุทธเจ้าวางไว้นั้นเพราะฉะนั้นเราเป็นห่วงเมออเป็นห่วงพระเนงกลัวจะทําไม่จริงจังในการประพฤติปฏิบัติธรรมอันนี้ก็คือท่านอายุ96จะย่าง97ปีแล้วท่านพูดให้หลวงพ่อท่านเตือนว่างั้นแหะเพราะนั้นขอพวกน้องหนุ่งทั้งหลาย พระเนรทั้งหลายขอให้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติในการเป็นอยู่ขอให้อยู่ในกรอบของหลักพระธรรมวินัยสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าลิคิดลิพูดลิธรรมในสิ่งที่มันไม่ดีถ้าทําไปแล้วคิดไปแล้วทําไปแล้วมันเป็นเรื่องหายนะักเป็นเรื่องที่สัตยาญาติโยมลูกคุณธบริษัทสี่รับไม่ได้ในสิ่งเหล่านี้พวกเราได้เห็นในสื่อต่างๆสื่อเรื่องนั้นสื่อเรื่องนี้ขึ้นมาแต่พวกเราที่อยู่ในวงใน พวกเราก็ไม่สบายใจอย่างหลวงพ่อนี่ไม่สบายใจถ้าเห็นสื่อออกมาแล้วการประคมข่าวขึ้นมาจะ ต, ตามไม่จริงการประคมข่าวหลวงพ่อกลว่ามันไม่ถูกหรอกเพราะเหตุอะไรถึงว่ามันไม่ถูกการที่หึงสือพิมพ์ก็ดีข่าววิทยุก็ดีข่าวไหนก็ตามม า, มาพูดเรื่องของพระพระที่มาบวชไม่ใช่เอาพระหันมาบวชนะเอาคนมีกิเลสมาบวชเพเผลอยังคนที่มาบวชนั้นประวัติของเขาเป็นยังไงมากอ่อน อาจจะเป็นคนที่เหลือขอจากพ่อแม่มาแล้วก็ได้เอามาบวชพอมาบวชแล้วก็ออกนอกลู่นอกทางอย่างพวกเราท่านนั่งหลายเห็นในเมื่อพระ อ, องค์นั้นออกนอกลู่นอกทางเราจะประโคมด่าพระพุทธศาสนาว่าทำไมพระมาบวชแลเป็นอย่า ง, งนู้นเป็นอย่างนี้ฮะแต่ตาไม่จริงพระที่องค์มาบวชนั้นท่านมาบวชอย่างไรท่านเป็นใคร สมัยเมื่อท่านเป็นคารวาสท่านเป็นยังไงท่านทําตัวอย่างไรแล้วเข้ามาบวชถ้ไม่เชื่อบวชเข้ามาแล้วจะดีเอาเลยคงจะเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้การที่บวชเข้ามาแล้วต้องฝึกหัดดัดนิสัยต้องเป็นผู้มุ่งมั่นเป็นผู้ตั้งใจจริงจะเป็นพระจริงจะเป็นพระที่ดีได้อยากกินไม่กินอยากพูดไม่พูดอยากทําไม่ทําอยากจะคิดก็ยังไม่คิดอีกในทางที่ชั่วจึงจะเป็นพระที่สมบูรณ์ได้เพราะนั้นที่ท่านเข้ามานั้นท่าน ทำตามอําเภอใจพูดตามอาเภอใจคิดตามอําเภอใจอยากจะทําสิ่งไหนทาตามอําเภอใจเพราะฉนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่เสียหายเกิดขึ้นในวงการคณะสงฆ์เพราะฉะนั้นขอฝากไว้กับพวกน้องหนุ่งทั้งหลายหลวงพ่อเคยพูดหลายครั้งว่าพวกเราเป็นพระนะให้คิดดูให้ดีมองดูตัวเองการคิดก็ดีการกระทําก็ดีการพูดก็ดีถ้าเราคิดอย่างนี้พูดอย่างนี้ทําอย่างนี้ ถ้าเป็นคนอื่นถ้าเราเห็นคนอื่นนะในถ้าเห็นพระทําอย่างนี้คิดอย่างนี้พูดอย่างนี้เราจะกราบลงไหมถ้าเป็นอย่างเราเราจะกราบเราลงไหมอันนี้หลวงพ่อก็เคยพูดให้แก่คณะพระเนนทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษานะจากนั้นคณะสัทธาญาติโยมก็เช่นเดียวกันหลวงพ่อก็บอกกล่าวว่านี่นะคณะสัตายาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่านะโดยเฉพาะอย่างจริงส่วนข้าราชการทุกหมู่เหล่าถ้าว่าเราทํางานอย่างนี้ คุ้มค่าเงินภาษีเขาไหมเงินภาษีที่เขาจ่ายมานั่นน่ะมันคุ้มค่าไหมเงินที่เขาจ่ายมาถ้าเป็นเงินเราเราจะกล้าจ้างเราไหมเสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อก็ได้บอกอีกเหมือนกันเพราะเจตว่าธรรมะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านให้มองตนเองให้มองเราทุกๆคนว่าสิ่งไหนควรคิดสิ่งไหนควรพูดสิ่งไหนควรทาขอให้พวกเราทาในสิ่งที่ถูกต้องทา ในสิ่งที่มีเหตุมีผลนี่แหละทำคําคสอนของพระพุทธเจ้าเรว่าให้มองตัวเองหรือโอปัญญิโกให้มองตนเองสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าลิคิดอย่าริพูดอย่าลิทำทําในสิ่งที่ถูกต้องอันนี้ก็คือจัดเป็นหมวดศีลนะคือการเป็นอยู่ศีลคือรักษากายวายใจให้เรียบร้อยชื่อว่าศีลถ้าพวกเรามีศีลมีวินัยมีกฎมีระเบียบ ด้วยกันความสงบร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในกลุ่มของเราในหมู่คณะของเราร่มเย็นเป็นสุขไปหมดแต่ถ้าว่าพวกเราออกนอกลู่นอกทางไม่มีกฎไม่มีระเบียบไม่มีวินยัยไม่มีสินแล้วพวกเราจะหาความสงบร่มเย็นเป็นสุขในชุมชนสังคมของพวกเราได้ยากอันนี้ก็คือการเป็นอยู่แต่นี่คือศินคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยส่วนธรรมคือสมาธิทีนี่ คือรักษาใจของเราเราควรจะคิดอย่างไรจรึงจะถูกต้องการที่จะจะทำให้คิดให้ถูกต้องนั้นเราควรจะทําอย่างไรนี่แหละพวกเราต้องศึกษาสิศึกษาก็คือใช้ตักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ไปค้นคว้าศึกษาพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยแต่ก่อนท่านก็เป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะพออายุ29ปี ท่านก็ได้ออกไปบวชอยู่ในปา่าไปอยู่ในป่าดงพงไพอยู่ตามลําพังต่อมาก็มีปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเป็นผู้ดูแลอุปธรรมประธสิทธัตถะพอต่อมาปัญจวัคคีย์ทั้ง5เห็นว่ายาวเนินนานเกินไปที่สิท ธ, ธัตถะทดลองในการประพุทธปฏิบัติคือทดลองจิตวิทยาเรื่องทดลองเรื่องจิตใจไม่ใช่ทดลองวิทยาศาสตร์นะทดลองทางจิตใจ คือจิตวิญญาณทดลองแล้วทดลองอีกทําแล้วทําอีกอดอาหารแล้วอดอาหารอีกเนียังไงยังไงก็ยังไม่ได้สําเร็จถึงผ่าหปีจนปัญจวคขี่ทั้งห่าอ่อน อ, อกอ่อนใจว่างั้นเดี๋ยไม่ได้สําเร็จหรอกสิท ธ, ธาัาเนี่ยก็เกลยหนีออกจากพระ อ, องค์พระ อ, องค์ก็อ ย, อยู่อยู่ตามลําพังถึงพระ อ, องค์เขาพยายามไม่ลดละในแนวความคิดของพระ อ, องค์จนวันเดือนหกเพลนทดลองได้หปี โอ้พระในเจ้าชิดตะของเราเนี่ยท่านได้นั่งอยู่โคนต้นโพที่ประเทศอินเดียที่พุทธคยาพวกเราคงจะเคยเห็นนะพระ อ, องค์ได้นั่งขัดสมาธิหันหน้าไปทางทิศตะวันออกขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายจากนั้นพระ อ, องค์ก็ทกําจิตใจให้สงบจิตใจเป็นหนึ่งจิตใจนิ่ง เ, เมื่อจิตใจดิ่งแล้วเกิดญานัทสันะเกิดฌานเนี่พอเกิดยานขึ้นมาแล้วก็ระ ล, ลึกชาติผลหลังได้ อันนี้หลวงพ่อจะย้ำให้แก่คณะทา ญ, ญาิโยมทุกหมู่ทุกเหล่าว่าพระพุทธศาสนาหลักของพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าตายแล้วไม่สูนตายแล้วเกิดอีกนี่แหละถ้าว่าตายแล้วสูญจะระลึกชาติผลหลังได้อย่างไรเพราะฉะนั้นในหลักของพุทธศาสนาเพราะพุทธเจ้าไปทดลองดูแล้วไปพิสูจน์ดูแล้วที่โคลนต้นโพ ท, ที่ท่านนั่งสมาธิท่านบอกได้เลยว่าตายแล้วไม่สูนตายแล้วเกิดอีกตัวที่เกิดนั่นคืออะไร ท่านบอกว่าเมื่อนั่งสมาธิจิตสงบรวงลงไปแล้วร่างกายเป็นส่วนหนึ่งใจนั่นคือนามธรรมนั้นเป็นอันหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งคนละอ่านกันกายกับใจอาศัยกันอยู่ในร่างกายของเราใจก็คืออะไรคือความนึกคิดนั่นหละคือใจแต่ร่างกายนี่คือพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นนั่งอยู่ที่นี่แหคือร่างกายแต่กายกับใจนั้นอาศัยกันแต่ว่าร่างกายนั้นแตกตายสลายแน่ย สู่ดินน้ำลมไฟเพราะเกิดมาแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแก็ตายแต่ส่วนนามธรรมคือจิตใจนั้นเมื่อร่างกายแตกออกไปแล้วตายสลายออกไปแล้วดวงวิญญาณนี่ออกจากร่างไปปฏิสนธิในสถานที่ต่างๆจะไปเกิดที่ไหนก็ได้ออกจากร่างนี้ไปแล้วเปรียบเทียบให้เห็นอย่างชัดๆก็คือร่างกายเหมือนกับรถแต่ส่วนนามธรรมคือจิตใจนั้นเหมือนกับคนขับรถคนขับรถกับรถไม่ใช่อันเดียวกัน คนขับรถอยากจะให้รถไปได้คนขับต้องขยับต้องขึ้นไปขับรถจึงจะไปได้นี้ก็เหมือนกันถ้าว่าใจออกจากร่างแล้วร่างกายนี่ก็ไปไม่ได้แต่ถึงยังไงถ้าว่าร่างกายของเราดีเรื่องว่าร่างกายของเราเสียสำรุดชุดโฉมโซเฟอร์จะดีขนาดไหนก็จะขึ้นไปขับรถนะถ้ารถลุกสูบติดเสอย่างเดียวหมดน้ํามันเชียอย่างเดียวโซเฟอร์จะฝีมือขนาดไหนก็ขับไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกัน ร่างกายของเราเหัวใจขาดเลือดหัวใจวายอย่างนเนี้หรือว่าสมองถูกกระทบกระเทือนอย่างเนี้โซเฟอร์คือใจของเราเนี่จะขับยังไงก็ขับไม่ได้เพราะอะไรเพราะร่างกายของเราทุบพลภาพไปแล้วหมดสภาพแล้วเนี่ยสรุปแล้วก็คือร่างกายก็ต้องเฝ้าอยู่อย่างงั้นเฝ้ารถยังงั้นฝนที่ฉุยก็หมดสภาพจริงๆร้งหนีออกจากร่างไปหาปฏิสนที่ไปหาเกิดที่อื่น นี่แหละคือการเกิดการตายในหลักของพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราคณะรัตยาธิยมลูกหลานทุกท่านทุกค น, นให้ศึกษาถ้าศึกษาแล้วเราจะรู้ได้แบบตายแล้วไม่สูงตายแล้วเกิดอีกเพราะอยาจะรู้ผลนั่งสมาธิอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านบอกกล่าวหรือสอนพวกเราท่านทั้งหลายจากนั้นพอถึงเที่ยงคืนพระองค์กดกาหนดใจของพระองค์ดูใจของพระองค์รวมลงเป็นหนึ่ง นิ่งลงไปอีกสงบนิ่งลงไปอีกพระองค์ได้ตัดสรุปจุตูปะปะาแต่ยานคือการจุดติของสรรพสัตว์มาที่นี่มาจากไหนมาเกิดมาที่นี่ออกจากที่นี่แล้วจะไปไหนพระพุทธองค์ก็รู้อีกว่าการมาที่นี่มาด้วยวิธีอย่างไรทำไมจะมาที่นี่และทำไมคนจึงไม่ไปเกิดในที่เสมอกันทำไมไม่เกิดไปที่ล่าที่รวยทำไมมาเกิดที่จนๆอย่างนี้ เพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้า ก, ก็รู้อีกว่าที่เขามาเกิดที่จนมาเกิดที่ยากลําบากเพราะว่ากรรมเก่ากรรมของเขาทําในอดีตชาติไม่ดีเขาไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลเขาทํากรรมชั่วเมื่อทํากรรมชั่วแล้วกรรมชั่วพาเขามาเกิดที่นี่ อ, อบางทีก็มาเกิดเป็นคนทุกข์อะไรยังไปแล้วยังอวอยัยวะเสียหายอีกหูหนวกตาบอดอีกบ้าใบาเสียจิตไปอีกก็มีต่างเยอะแยะเพราะเหตุไรเพราะ กรรมชั่วพามาเกิดถ้าบุคคลกรรมดีพามาเกิดก็ไปเกิดในสถานที่ดีออกจากชาตินี้แล้วไม่อยากจะมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นผมชั้นใดชั้นหนึ่งอย่างที่ครูบาอาจารย์สวดเมื่อกี้เนี่ยจะตุมห้าลาศิกาเดวานตวติงซ่าตุทิตายามานิมมาราติสวรรค์หกชั้นจะไปเกิดชั้นใดชั้นหนึ่งก็ได้ที่ท่านสวดธรรมจักเมื่อกี้เนี่ยนี่แหละ คือเทวดามีถ้าเรามีบุญก็ต้องไปเกิดจากนั้นก็เกิดเป็นพรหมพรหมกายจิกาเดวาเน่ยจากนั้นถ้ามีบุญกุศลมากกว่านั้นก็ได้ไปเกิดเป็นพระโสดาพระสกทาคาพระนาคาเป็นพระอระหันต์ผลที่สุดเนะ่ยเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าท่านรู้ว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกเพราะฉนั้นขอให้คณะรัตาายาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่าก่อนที่จะถึงจุดจบของชีวิต พวกเราให้ประกอบคุณงามความดีเอาไว้อย่าตั้งอยู่ในความประมาทนี่แหละหลวงพ่อเนี่ยขนาดหลวงพ่อเป็นพระสงฆ์องค์เจา้าหลวงพ่อก่สิ่งไหนที่จะเป็นบุญเป็นกุศลที่จะช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์หลวงพ่อก็ไม่ได้มองข้ามแต่ส่วนตนหลวงพ่อเดินยยกรมนั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติชั้นมือเดียวหลวงพ่อก็ทำอย่างสม่ําเสมอเพราะหลวงพ่อคิดว่าชีวิตของหลวงพ่อเนี่ยไม่รู้ว่าจะล้มหายตายจากวันใด หลวงพ่อมาเกิดยมมทูตเขาเขียนวีซ่าให้หลวงพ่อแล้วเออหลวงพ่ออินไปเกิดแล้วนะเด็กชายอินสมัยก่อนเด็กชายอินเนนอินคูบาอินเดี๋ยวนี้เป็นหลวงพ่ออินะหลวงปู่อินนไปเกิดแล้วนะอีกสักวันหนึ่งวันดีคืนดียมมาทูตเขาก็เออหลวงพ่ออินกลับบ้านได้แล้วนะกลับบ้านเก่าได้แลสมควรละกลับได้แล้วเนี่ยหลวงพ่อจะต้องเดินทางกลับ กลับบ้านเก่าก็คือตายนั่นเองหลวงพ่อจะต้องถึงจุดนั้นแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นแต่ก่อนที่หลวงพ่อจะตายนั่นแหะจะกลับบ้านเก่าเลยหลวงพ่อได้เตรียมสเสบียงไว้พอหรือยังแห่เงินทําสำสมปัตที่เตรียมไว้นะ่ะที่จะไปใช้ในปรโลกภายภาคหน้านะ่ะเตรียมพร้อมหรือยังหลวงพ่อได้เตรียมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจหรือยังจุดนี้แลเป็นจุดที่พวกเราควรจะคิดนะไม่ใช่ว่าจะปล่อยปะละเลย คิดว่าตายแล้วสูตรตายแล้วไม่เกิดอีกถ้าเกิดอีกล่ะแล้วจะเป็นยังไงเราจะไม่ทุกยากลำบากเหลอเพรา ะ, ะนั้นขอให้คณะทายาิโยมทุกท่านนะให้ศึกษาธรรมะเนี่ยวิชาทุกวิชาในโลกเนี่ยเราต้องศึกษาโดยการทางนั้นไม่ใช่ว่าจะสยามภูรู้แจ้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างวิชาแพทย์วิชาหมอวิชากเกษตรวิชากฎหมายวิชาต่างๆมีมากมาย การทําเอาโหงอาหารในมหาวิทยาลัยจนนับจะไม่ครบไม่ท้วนเพราะมันมีวิชาเยอะเหลือเกินในโลกเนี่เพราะฉะนั้นวิชาเรื่องศีลธรรมวิชาที่จะเอาตัวให้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสเนี่ยที่พระพุทธเจ้าแนะนําสั่งสอนเนี่ยก็เป็นวิชาอีกแขนงหนึ่งที่ทํำยังไงจึงทําให้จิตใจหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏสงสารพระพุทธเจ้าสอนไว้หมด ในหลักพระธรรมครําสอนเงือ่แปดหมื่นสี่พันพระธรร ม, มขันถ้าพวกพวกเราได้ศึกษาแล้วพวกเราจะรู้ได้สุดตามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังจินตามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาไข้ขวนทบทวนและก็ภาวนามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทําจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจสงบเป็นหนึ่งแล้วเราจะรู้ได้พิจารณารู้แจ้งเห็นจริงได้ เพาะจิตใจของเราเป็นหนึ่งใจของเราเป็นหนึ่งใจของเราไม่ปุงไม่ฟุ้งไม่ซ่าใจของเราแน่วแน่พิจารณาสิ่งไหนก็เป็นจริงจังในเมื่อใดพิจารณาในจุดนั้นอันนี้ว่าภาวนาเมญปัญญาเพราะนั้นขอให้คณะทัตไทายญาติโยมทุกๆ ท, ท่านวันนี้ได้มาวัดของหลวงพอ่อหลวงพ่อเองก็แสดงความยินดีกับดวงใจทุกดวงใจที่มาวัดของหลวงพ่อวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูบาอาจารย์พระสงฆ์ ที่มาร่วมงานในวันนี้ได้สวดพระปริตตมงคลอันเป็นมงคลอันสูงส่งในวันเกิดของหลวงพ่อหลวงพ่อก็น้อมรับจากพระสงฆ์ที่สวดพระปริตะมงคลและพร้อมกันก็ยินดีครับด้วยน้ําใจที่คณะจตหาย า, าติโยมลูกหลานแสดงออกให้กับหลวงพ่อและก็พร้อมกันหลวงพ่อก็ส่งเมตตาและส่งน้ําใจให้แก่ทุกดวงวิญญาณอีกเหมือนกัน ทุกดวงใจของพวกเราท่านทั้งหลายก็ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายมีความสุขความสบายใจที่ได้มาร่วมกันทําบุญในวันนี้และก็พร้อม ก, กันขอให้พวกเราเป็นผู้มุ่งมั่นเป็นผู้ตั้งใจจริงตามหลักธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้สอนพวกเราและก็ที่หลวงพ่อได้กล่าวว่าตายแล้วไม่สูรตายแล้วเกิดอีกนรกสวรรค์มีจริงบาปบุญคุณโทษมีจริง สิ่งที่จะพาให้เกิดนั่นคือวิญญาณคือใจของพวกเราส่วนร่างกายนี่ถึงจะเลี้ยงดูปูเสือทนุถนอมให้อาหารการบริโภคดูแลติดตีขนาดไหนร่างกายนี่ก็แก่และวก็เจ็บแล้วก็ตายแต่เมื่อวานนี่ลูกหลานมาจากกรุงเทพตัวเด็กๆนะเด็กๆมาเห็นรูปหลวงพ่ออยู่ข้างฝานพ่อแม่เขาก็รลยิชี้ให้ดูว่าอันนี้ในรูปไข่กับรูป ล, ลงตา หลวงตาไหนกับหลวงตาอินเนี่ยแล้วเอ๊ะทาไมทําไมรูปหลวงตาเนี่ยทาไมรูปไม่เหมือนรูปเดียวนี่เป็นยังไงครับรูปเดียวนี่รู้สิว่าหลวงตาแก่มากเพรั้แต่รูปนี่รู้สิว่าหลวงตาทําไมเป็นอย่างนี้ให้ว่าลูกตาจังอุดมสมบูรณ์ว่างั้นแต่แต่เดี๋ยวนี้หลวงตาทําไมแก่ฮะนั่นแหละเด็กเขายังไม่รู้ว่าคนเกิดมาแล้วกิคงจะอยู่อย่างนั้น มันไม่ใช่มนันมันแก่ไปเรื่อยต่อไปคณะธรราญาติโยมลูกหลานมาเห็นหลวงพ่ออีกสักหปีสิบปีนะอายุ 70. เจ็ดสิบหลงพ่อก็ะรงจะผมขาวาฟันหลุดหนังเหี่ยวตาฝ้าฟางหูตึงหูหนวกหลังค่อมเข้าไปเลยต้องได้ใช้ไม้เท้าเลยแน่ต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนไม่เป็นอย่างอืง่นหลวงพ่อคิดไว้แล้วทาให้ตายง่ายนะถ้าตายง่ายแลวก็จบไปถ้าไม่ตายง่ายก็ต้องเป็นอย่างนั้น เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายทุกๆท่านก็คงจะเป็นอย่างที่หลวงพ่อพูดเนี่แหละเพราะนั้นขอให้พวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้เก็บพ ร, ร้อมลอมริบบุญกุศลเข้าสู่จิตใจถ้าว่าพอที่จะพ้นทุกได้ภาวนาพอที่จะพ้นทุกได้ก็ให้ภาวนาให้พ้นทุกในวันตะสงสารอย่ามาเกิดอีกเธอะโรกอันนี้แต่เกิดขึ้นมาแล้วเราจะต้องพบต้องเห็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา มากมายหลายๆอย่างทั้งดินฟ้าอากาศทั้งแผ่นดินถลม่มทั้งแผ่นดินไหวทั้งศีนามิเผ <c oughs> อเผยยังมีเสื้อดำเสื้อหลากสีอีกต่างหากว่างั้นะเออต่อไปยิ่งกว่านี้อีกอาจจะมีลบราข้าวฟันเอ <c oughs> <c oughs> เหมือนสงครามโลกที่หนึ่งครัง้งที่หนึ่งครั้งที่สองพวกเราอยู่ลําบากเหลือเกินโลกนี้เต็มไปด้วยเวรไภ่ <c oughs> แต่พวกเราทําจิตใจให้บริสุทธิ์ซะไม่มีเกล็ราคะโทสะโมหะซะ อย่างที่พระพุทธเจ้าแนะนําสั่งสอนพวกเราเป็นบรมสุขแล้วก็ไม่มาเวียนไหวตายเกิดในวัตสงสารจิตใจเป็นธรรมเป็นธรรมมัทธาจิตใจไม่มาวกวนเวียนมาเวียนไหวตายเกิดอีกพวกเราให้ศึกษาจุดนี้เพราะธรรมะคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องศึกษาอย่างที่หลวงพ่อพูดให้ฟังว่าพิชชาทุกแขนงต้องศึกษาเรื่องจิตวิญญาณเนี่ยก็ต้องศึกษาเหมือนกันตามแนวแถวของพุทธะ พร้อมที่จะพ้นทุกได้ตามแนวแถวของพุทธพพธเจ้าท่านมาชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วเราจะไม่เกิดอีกแล้วนี่แหละอันนี้ก็ขอให้ฝากไว้กับขนันธทาญาติโยมทุกๆท่านนะการกล่าวสมโมทนิยกถาวันนี้ก็นานทีปีหนึ่งก็มีครั้งเดียววันเกิดของหลวงพ่อหลวงพ่อเห็นคณขนัทธายาติโยมก็เป็นปลื้มใจจึงได้กล่าวเป็นเครื่องเตือนกล่าวเตือนให้แก่พวกเราทั้งหลาย ให้เป็นผู้สำนึกในความคิดแล้วก็อย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สั่งสมบุญกุศลให้ส่งสมคุณงามความดีต่อ น, นี้ไปคณะลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อเอาของขึ้นมาถวายพระสงฆ์นาเจน่าเมื่อถวายเสร็จแล้วก็จะได้อนุโมทนาให้พรเมื่ออนุโมทนาให้พรเสร็จเรียบร้อยพระสงฆ์ลงไปแล้วหลวงพ่อจะแจกแจกธรรมะ MT3 ให้แก่คณะทศไทายญาติโยมที่มาพักในวัดรอบหนึ่งนะและกัวันพุ่งนี้กจะแจกอีกแจกอันเก่านั่นแหละแจกให้คณะทศั ท, ธธทายญาติโยมที่มาวันพุ่งนี้อีกผู้ใดได้แล้วไม่ต้องเอาวันพุน่งนี้แต่วันนี้จะแจกคณะทศัทยธญาติโยมที่มาพักค้างที่นี่อันดับแรกก็จะแจกครูบาอาจารย์ถวายครูบาอาจารย์ก่อนนะเออเอ า, เ, อาเตรียมขึ้นมาถวายได้แล้วนะที่นี่นะ